บริษัทประกันภัยที่ผมทำงานอยู่แถวสี่พระยานี่เองครับความเจริญไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะเป็นย่านธุรกิจการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมาหลายสิบปีแล้วตอนเที่ยงๆพนักงานบริษัทและห้างร้านกลูกเปลียวกันออกไปหามือเที่ยงกินมองจากตึกสูงๆเห็นแต่หัวดำๆ เหมือนมดเหมือนปลวกไม่มีผิดเฉพาะบริษัทผมแห่งเดียวก็ปาเข้าไปตั้งเกือบร้อยคนเมื่อราวสองถึงสามปีก่อนเกิดเรื่องสยองติดติดกันคือพนักงานสาวกินยาตายในห้องน้ำสาเหตุจากปัญหาท้องไม่มีพอ่อกับอกหักกระโดดตึกที่หนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าหมูโลก ข่าตัวตายนั่นแหละครับตึกสูงสิบกว่าชั้นจะไปมีอะไรเหลือละ่ะพี่แอลผู้ช่วยฝ่ายการเงินไปเข้าห้องน้ำเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มหมดสติกว่าจะมีคนไปพบและนำส่งโรงพยาบาลพี่แอลก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เกือบหนึ่งเดือนก่อนจะเสียชีวิต เพิ่งจะเผาศพเธอไปหยกหยกน้องหมวยสาวสวยประจำะแผนกบริการลูกค้าเพิ่งจะออกจากห้องน้ำมาหยกหยกกลับมานั่งโต๊ะเดียวเดียวก็เธอลื่นพลวดขึ้นสุดตัวก่อนจะล้มหวบลงบนพื้นมือหนึ่งตะกายเก้าอี้ที่ลูกล้อมันลื่นหนีไปเรื่อยๆพอเพื่อนๆวิ่งมาดู ก็แตกตื่นร้องวิทวายไปตามๆกันน้องหมวยเอียงหน้าซบกับท่อนแขนปากอ้าในตาลืมค้างเบิกโพรงเหมือนมองเห็นภาพที่สยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นใจช่วเวลาเดือนเสร็ศษมีทั้งฆ่าตัวตายสองรายกับตายด้วยอุบัติเหตุรวมทั้งหัวใจวายอย่างละหนึ่งราย ปาเข้าไปทั้งสีศพจะไม่ให้คนขวัญอ่อนกลัวผีได้ยังไงพนักงานส่วนมากมักหน้าตาไม่ค่อยสบายนักดูซีดเซียวเซียไงชอบกกนมักจะเหลียวหน้าเหลียวหลังด้วยอาการหวาดระแวงเกือบตลอดเวลาเรียกว่าแทบไม่มีกระจิตกระใจทํางานก็คงจะไม่ผิดนักมีเสียงซุบซิบหัวเจ้าที่แรงบ้าง ผีดุบ้างเมื่อราวสามปีกว่ามาแล้วเคยมีคนงานเช็ดกระจกพัดหล่นลงไปคอหักตายเชื่อว่าวิญญาณที่เจ็บปวดคงจะวนเวียนอยู่บริเวณ น, นั้นไม่ยอมไปพุดไปเกิดกลายเป็นวิญญาณดุร้ายเหี้ยนจัดตามรังควานคนชะตาขาดเพื่อเอาไปอยู่เมืองผีติดติดกันถึงสี่คนจนอกสันขวัญหายกันไปทั้งบริษัท พอจะซาไปหน่อยนติม๋มแม่บาทประจำชั้นเราเกิดเป็นลมตายในห้องพักขึ้นมาดือด้อห้องที่ว่าจะเรียกกันว่าห้องกาแฟคือมีทั้งตู้เย็นการน้ำร้อนชั้นวางขวดเครื่องดื่มต่างๆเช่นน้ำชากาแฟโกโกโ้อวนตินน้ำตาลและคอฟฟี่เมดสำหรับบริการพนักงานอาวุโสกับแขกที่มาติดต่อธุรกิจแทบทั้งวันมีโต๊ะอาหารเล็กๆ เตียงติเตียสำหรับนั่งพักผ่อนแต่ไม่ถึงกับเอนหลังหรอกครับเพราะมีแขกมากหน้าหลายตาจานนติมกับผู้ช่วยชื่อพี่แป้งไม่ค่อยมีเวลาหยุดยนต์เท่าไหร่นักวันเกิดเหตุมีลูกค้ามาติดต่อเรื่องเคมประกันตอนใกล้เลิกงานพอดีพี่แป้งเล่าว่านาติมชงกาแฟสองที่ วางซองน้ำตาลกับคอฟฟี่เมดไว้ที่จานรองเรียบร้อยแล้วส่งให้เธอเอาไปบริการที่ห้องลุงอัดหัวหน้าแผนกแต่พอกลับมาก็เห็นน้าติ๋มนอนหลับตาเยียงหน้านิดๆปากอ้าเพเยอเหมือนคนนอนหลับ ท, ท, ทั้งๆที่เพิ่งจะแยกมาหยกๆนี่เองน้าติ๋มตายแล้วพี่แป้งวิ่งออกจากห้องกาแฟมา ร้องไห้โหจนพวกเราลุกพวดผมวิ่งไปดูก็เห็นน้าติ๋มสิ้นลมไปแล้วจริงๆพวกผู้หญิงที่ตามหลังมาทำท่าทางเหมือนจะเป็นลมเป็นแรงต้องไล่กลับไปที่โต๊ะหมดทุกคนบางก็ว่านาติ๋มเป็นลมตายบางก็ว่าเป็นโรคหัวใจกำเริบบางก็ว่าโดนผีหลอกพี่แป้งไม่กล้ามาทำงานต่อ จะลาออกท่าเดียวหัวหน้าต้องเรียกน้ำแหม่มจากชั้นบนลงมาช่วยงานและอยู่เป็นเพื่อนพี่แปงยังไม่วายขวัญหนีดีฟอร์ตองตามน้ำแหม่มแจขนาดจะเข้าห้องน้าพี่แปงยังต้องขอให้น้ำแหม่มมาอยู่หน้าห้องเลยครับเวลาผ่านไปเกือบเดือนพวกเรากำลังจะลืมเรื่องนี้อยู่แล้วก็พอดีก็มีลูกค้าเก่ามาหาลุงอัด ดูเหมือนจะมาเยี่ยมเยียนธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเลขาหน้าห้องก็บอกไปทางน้ำแหมมพี่แป้งที่อยู่ใกล้ๆก็กุลีกุจอดิบน้ำตาลกับคอฟฟี่เมตมาใส่จานรองเตรียมพร้อมน้ำแหมมหันหน้ามายื่นถ้วยกาแฟให้แต่ใบหน้านั้นกลับกลายเป็นใบหน้าของนติม๋มที่ตายไปแล้วชัดๆ โลกของพี่แป้งแต่กระใจายในพิบตาเสียงร้องกรีดเหมือนเกิดไฟไหม้พวกเราเห็นพี่แป้งร้องไห้โฮในตาเหลือกลานพูดไม่เป็นภาษานอกจากชี้ไม้ชี้มือไปข้างหลังได้ยินแต่ว่าน้ติม๋มผีน้ติม๋มผีน้ติม๋มพี่แป้งลาออกไปแล้วไม่ว่าใครจะอ้อนวอนให้อยู่ต่อไป ก็ไม่ฟังเสียงยืนยันแต่ว่าตกงานยังดีกว่าโดนผีหลอกจนช็อกตายและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ